ของพระพุทธศาสนามีอยู่สามประการด้วยกันคือ 1. จงละการกระทำบาปทั้งปวงจงสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม 3. จงชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์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 จเจริญแต่สุขมีแต่ความสุขแล้วก็มีความอยากที่จะไม่เสื่อมจากลาบยศสารเสริญสุขไปเรียกว่าวิภาวะตันหาความอยากไม่เสื่อมจากลาบยศสารเสริญสุขความอยากจเจริญในลาบยศสารเสริญสุขเรียกว่าภาวะตันหา นี่คือความอยากที่ฝังมากับใจของพวกเราทุกคนไม่ต้องสอนกันว่าอยากไหมอยากได้รูปเสียงกลิ่นลดไหมอยากได้ลาบยศสรรเสริญไหมอยากไม่เสียลาบยศสรรเสริญสุขที่ได้มาไหมอันนี้เป็นความอยากที่ฝังมากับใจของสัตว์โลกที่พาให้สัตว์โลกต้องกลับมา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 แต่ก่อนจะได้กลับมาเกิดใหม่ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนนี่เลคือเหตุทาไมพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเราละการกระทาบาปทั้งปวงแล้วก็ถ้าเรายังต้องทำอะไรก็ขอให้ทำบุญแทนยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อแล้วก็มาชําระใจให้สะอาดบริสุทธ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 พวกเราที่กําลังฟังกันอยู่ขณะนี้ mm. พวกเราก็เป็นเหมือนกับพระอาหารหันต์ตาสาวกหนึ่งพันสองรอห้าสิบรูปที่ก่อนที่ท่านจะได้เป็นพระอาหารหันตสาวกท่านก็อาศัยการฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านี่แหละ mm. แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนอย่างที่ท่านได้ทรงสอนในวันนั้น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 สุขแล้วก็จางหายไปเหมือนควันไฟแล้วก็ต้องดิน้นดิ้นรนหาความสุขใหม่ในขณะที่ไม่มีความสุขใจก็รุ่มร้อนใจก็ไม่สบายแต่เวลาได้ความสุขมาก็ได้ความสุขเพียงเดียวเดียวแล้วมันก็จางหมดไปหายไปแล้วก็ต้องกลับไปหาใหม่อยู่เรื่อยๆหาเท่าไหร่ก็เหมือนกัน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 แท้จริงเป็นความสุขที่จะเป็นที่จะอยู่กับเราไปตลอดแต่ความจริงแล้วมันเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแล้วก็มีความทุกข์ตามมาเหมือนปลาที่ไปตะฮุบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนะไปคิดว่าเป็นความสุขเป็นอาหารอันโอชะแต่พอไปฮุบเหยื่อเข้าก็จะถูกตะขอเบ็ดเจียวปากเอา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 ผู้ที่จะไม่เก er. ิดก็ต้องเป็นผู้ที่ระงับความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ผู้ที่จะระงับความอยากให้หมดไปได้ก็ต้องมีสติมีปัญญาปัญญาก็จะเป็นผู้สอนให้รู้ว่าความอยากนี้ความอยากได้สิ่งที่อยากได้นั้นสอนใจให้รู้ว่าเป็นสิ่งที่อยากได้นั้นเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ด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 ถ้าไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปหาลาบยศสารเสริญให้ไปหาสติไปฝึกสติลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธไปเลยถ้าใช้พุโทโธเป็นตัวสร้างสติก็ให้เราเลืกถึงพุโทโธไปเรื่อยๆเพื่อใจจะได้ไม่ไปคิดเพ้อเจอ้พ้อคิดเพ้อฝันคิดเรื่อยเปื่อย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 มันจะต้องกลายเป็นความทุกข์ต่อไปอย่างแน่นอนถ้าเราเห็นชัดเจนอย่างนี้ความอยากที่จะไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านั้นมันก็จะหมดไปกามาตัญหาก็จะหมดไปภาวะตัญหาก็จะหมดไปวิภาวะตัญหาก็จะหมดไปมันต้องหมดด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันก็ยังจะหลงได้ยังอยากได้พอเห็นอะไรเคยชอบก็ยังอยากได้อยู่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 ต้องหยุ ด, ด้ดยการไม่กลับมาเกิดทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ก็เจ้าต้องมีความทุกข์ที่มากับความการเกิดก็คือความแก่ความเจ็บความตายละความเกิดมันมาจากอะไรก็มาจากตัณหาความอยากนี่อยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพระอยากในลาบยศสารเสริญมันจึงพาให้เราต้องกลับมาเกิดกัน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 ยะถาวารวาหาปุราปาริโพเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอ e ุปกัรปติอิชิตังปฏติตังตุมหังค um ิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณนิโชติ อระโสยะาสัพพิต so ิโยวิวัชจันโตสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตระโยสุขีธีกายุโกภวะอภิวาธนศีลิตสนิจังวุฒาปจายโนจตารโธรรมวัฏานติอายุวโนสุขัง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 บุญต่าง ๆ, ๆที่เราสร้างมาในอดีตมันมันมากับเรามันเลยทำให้เรามีบารมีมีรัศมีคนที่ไม่มีบารมีนี้จะดูสึกแล้วไม่มีรัศมีคนที่มีบารมีนี่จะมีรัศมีคนจีนเขาเรียกมีห ง, ง่เฮงโง่เฮงก็คือบารมีเข้าใจไหมนั่นเกิดจากบุญที่เราทำมาในอดีต ถ้าชาชานี้เราไม่มีบารมีเราก็ต้องสร้างบุญกันสร้างด้วยการทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการแผ่เมตตาแล้วต่อไปมันก็จะเป็นบารมีเวลาเราไปเกิดพบหน้าชาติหน้าเราก็จะมีรัศมีมีบารมีพระพุทธเจ้าเนี่ยบามาเกิดก็โหนดูว่าเด็กคนนี้มีบารมีมากรัศมีออกมาเจิอจ้าเนีเกิดมาปุ๊บก็เดินได้ต้องเจ็ดเก้า เขาเลยสามารถเขาเลยทำนายว่าต้องเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่เชนั้นก็ต้องเป็นมหาจากักรพรรดิเพราะอาดีตได้ทำบุญมามากจึงมีบารมีมากคำถามจาก Facebook ค่ะคำถามจากคุณปาล์มค่ะตอนที่พระอาจารย์บวชใหม่ๆมีสักดิดไหมคะที่ท้อหรือแพ้ต่อกิเลสถ้ามีพระอาจารย์โกโรุณาเล่าให้ฟังถึงวิธีแก้ปัญหาเพื่อเป็นกาลังใจด้วยเถอเจ้าคะ่ะ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 งั้นพอครั้งต่อไปเวลามันมาหลอกก็รีบปลุกสติขึ้นมาเลยเรีบพุโทโธพุโทโธรีบ เ, เดินจงกรมหยุดความคิดอพอหยุดความคิดที่มันชวนให้เราไปเที่ยวไปทำอะไรได้ใจก็สงบก็หายทุกข์หายทรมานแล้วก็ไม่ต้องไปเที่ยวแต่บางครั้งมันก็เผลอได้ใหม่ใม่มันแบบนมลูกคุก ค, คานผัดกันลับผัดกันลุกบางทีก็โดนเขาตัด ถูกเขาต่อยล้มอ่ะล้มก็ต้องไปไปเที่ยวซะหน่อยแล้วพอกลับมาบ้านกา็กระเท่านั้นเห็นมีอะไรนะขาวหน้ามันจะหลอกทีนี้จำได้แล้วไปก็ไม่มีอะไรเอาพุทโธดีกว่าภาวนาดีกว่านั่งสมาธิเดินจงกรมฮสู้กับมันไปแล้วต่อไปมันก็ชนะมันไปเรื่อยๆพอเราเริ่มชนะมันแล้วเราก็จะมีกาลังใจ แล้วก็จะสามารถชนะมันไปได้เรื่อ ย, อยแต่ต้องตัวสําคัญก็คือสตินะเวลาที่เราเริ่มท้อแท้เบื่อหน่านี้จำไว้เลยว่าสติหมดกําลังแล้วถ้าเป็นรถก็เหมือนน้ํามันหมดแล้วขับรถไปรถมันจอดนี่อย่าไปคิดว่ามันเป็นอะไรเลยดูถังก่อนว่ามีน้ํามันหรือเปล่าส่วนใหญ่มันจะเหตุที่มันไม่มีน้ํามันนั่นเพราะเราหมดกําลังเมื่อไหร่ก็ถือว่าหมดสติเมื่อนั้น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 ไม่มีวิธีไหนต้องใช้วิธีนี้ก็ต้องใช้วิธีนี้นนแล้วแต่ความถนัดของคนวิธีอื่นก็มีบางคนก็อาศัยไปอยู่ที่หน้ากลัวแล้วมันก็ไม่ขี้เกียจพอเป็นกลัวแล้วจิตมันก็ต้องตื่นอยู่กับป่าช้านี่มันก็จะต้องตื่นลุกขึ้นมาภาวนาถ้าไม่ตื่นไม่ภาวนาแเดี๋ยวพวัวมัวแต่ไปคิดถึงผีมันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่แต่ละคนอาจจะต้องหาวิธีต่างกันไป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 มีก็มีน้อยมากก็เพราะว่าเรามัวแต่เอาเงินไปใช้อย่างอื่นแทนนี่เราเลยต้องมีมาตรการป้องกันแก้ไขไม่ให้เงิน่วดไหลไปทางอื่นก็ด้วยการบังคับให้มันทำบุญทุกวันก็เอาใส่กระปุกไปมากน้อยก็แล้วแต่กาลังของเราจิตทาของเราอยากจะทำมากน้อยก็ทำไปถ้าเรามีการทำทุกวันมันมันดีหลายอย่างหนึ่งมันจะติดเป็นนิสัยมันจะทาให้เราเ ทำอย่างต่อเนื่องสองมันจะทำให้เราได้ทำมากเพราะถ้าเราไม่ทำทุกวันเรานานๆทำท uh ีม huh. yes. ันจะทำได้น <daha S 2> ้อยเพราะฉะนั้นจะทำให้เราได้ทำอย่างต่อเ er. นะะื่องจนติดเป็นนิสัยและจะทำให้เราได้ทำมากงั้นพยายามทำไปเอาเงินที่เราจะทำบุญใส่บาทหรือทำบุญแบบแบบไหนก็ได้ถ้าเรายังไม่สามารถไปมอบให้กับบุคคลที่เขาที่เราจะมอบให้เราก็ใส่กระปุกไว้ก่อน สสมไปพอถึงโอกาสเช่นวันนี้เป็นวันหยุดวันมาค้าบูชาเราไปวัดเราก็เลยเอาเงินที่เราได้ใส่กับปุกนี้ไปบริจาคให้กับวัดไปคำถามจากคุณสถาพรกราบนมัสการครับเหตุใดในสมัยพุทธกาลจึงสามารถบรรลุธรรมได้พร้อมๆกันเป็นจำนวนมากแม้ในขณะนั่งฟังธรรมซึ่งต่างจากยุคปัจจุบันมักจะได้ยินว่าฟากตายจึงได้ทํา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 ทางปัญญามาบอกทางปัญญาก็ไปกันตามนั้นไปกันได้อย่างมากมายก่ายกองเพราะว่ามันติดกันเนี่ยยุคแรกๆที่พระเจ้างแสดงธรรมนี้ท่านไปสอนพวกนักบวชนะพวกที่เขาได้สมาธิแล้วได้ศีลแล้วเขาขาดเพียงแต่ปัญญาพอแสดงเรื่องปัญญาให้ฟังเขาเข้าใจเขาก็บรรลุได้ทันทีแต่ยุคนี้มันเป็นยุคแบบไม่มีคอขวดละเพราะว่าพระพุทธเจ้าเปิดคอขวดออกไป โดยกระทังพวกนักบวชนี่บรรูุเป็นอาหารไปหมดแล้วใช่ไหมหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปตอนนี้เหลือแต่พวกไม่ใช่เป็นนักบวชพวกผู้คองเรือนพวกผู้คลองเรือนนี้ก็ต้องใช้เวลาเพราะว่ายัางไม่มีกำลังที่จะรับปัญญาไปใช้ได้ยังต้องมาฝึกทำบุญใส่บาตรต้องรักษาศีลห้ากันก่อนเหมือนเด็กอนุบาลพวกนักบวชนี้ก็เป็นเหมือนเด็กที่จบมหกแล้วเข้ามาหาไรายได้แนละ้ว เพราะนั้วจะต้องใช้เวลาหน่อยยุคนี้อันนานจะมีก็พวกนักบวชที่ตั้งใจบวชจริงๆอย่างสายบาอาจารย์มั่นอย่างเงี้ยพอเป็นนักบวชแล้วมีมีครูบาอาจารย์คอยสอนคอยดึงก็ไปกันได้คำถามจากคุณสุรศักดิ์คะ่ะฝึกจิตจับตัวรู้จับความคิดปรุงแต่งต่างๆแล้วทำอย่างไรต่อไปครับ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 มาสอนสั่งให้ใจมาศึกษาทางปัญญาสอนให้ศึกษาไตรักว่าไตรักคืออะไรอันนี้จังคืออะไรทุกขังคืออะไรอนัตตาคืออะไรอะไรเป็นอันนีจังทุกขังอนัตตาเช่นรูปก็คือร่างกายเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราเห็นด้วยตาก็เป็นอันนีจังทุกขังอนัตตา